บารท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลบขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยเอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่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 ความดีที่ตนกระทา ม, มาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมดนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำรีตรีตองอยู่ในคุณ พัฒนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนความตายเป็นของแน่มานึกถึงชีวิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบาย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 เป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้ฮะ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าจะห่วงจะห่วงไปทําไมอ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะ <c oughs> มีแต่ใจเศร้าหมองขุนมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ย <c oughs>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 มันได้รับสัมผัสจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมั่งมากเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บรรดาลให้คนเราทําบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกรรมบ้าง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 ความชั่วที่ทำลงไฟนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพออิเ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมานี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นท่านทุกคนให้สารวจกวดดูจิตใจของตัวเองกวาเป็นยังไงอะ่ะ จ, จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกำรรเวรไหมหรือไม่กลัว mm hmm. ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลย mm hmm. ถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปก ร, รมเวรนั่นแหละพระศ า, าสดาทรงตรัสว่าเป็นคน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 นี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกจนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณพหานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่ทิ้งกิเลส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 บุคคลได้เสวยทุกไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดบนอนทกการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียนละลมชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาณพนา ร, รมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบา ร, รมีเหล่านี้นะมันก็มาโดนจิตโดนใจ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 ไม่ถึงก็ว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปประทมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ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 ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่ายานสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อม ถ้าหาว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองเนี่มันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปอหลงเศร้าโศกเสียใจไป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 ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่วความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดอมเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติต่างๆได้ ใครด่ามาก็ไม่โกรธป่ะนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยิอนยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามแต่คนส่วนมากนะ่ะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผูดด้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดู น, นั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของอุเธเจ้าอย่างแท้จริงันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกระทั่งมามันก็วันไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมาหนี้อย่าไม่ยอมให้มันวันไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่คีเรศเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆอออมันเป็นอย่างนั้น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 ของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้